ต่อไปเอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นจันทร์พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นจันทร์อันเกิดแต่ต้นจันทร์พระสงฆ์ผู้ระ ง, งับความาร้อนได้สิ้นเชิงเพราะอุปโภคใช้พระสัธรรมเปรียบเหมือนชนผู้ระ ง, งับความร้อนเพราะใช้จันทร์จันทร์นี้เป็นไม้ที่เย็นมากเลยนะแค่บอกว่าเอามารับและกรองอย่างดีเป็นยาหยอดตาได้อย่างดีเลยต้นจันทร์่ะนะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจันเป็นยังไงก็ไม่รู้ทีนี้พอพูดถึงต้นเกี่ยวกับต้นจันแล้วก็ฟังพระสูตรสักสูตรหนึ่งข้อความในการณะปาลีสูตรนะอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตอีกนั่นแหละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาค า, ารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีสมัยนั้นการณะปาลีพรม กรณปารีพรามนี้ก็คือทำราชการอยู่ในราชสำนักอะ่ะใช้คนให้ทำการงานของเจ้าลิชวอยู่แล้วก็ได้เห็นปิงคยานีพรามปิงคยานีพรามนั้นเป็นอริยสาวกระดับพระอนาคามิเดินมาแต่ไกลคือปิงคยาปิงคยานีพรามนั้นตื่นเช้ามาก็จะรวบรวมดอกไม้ข้องหอมเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสายมานิดหนึ่งก็จะกลับบ้านางนั้น เพราะฉะนั้นการณปาลีพรามณ์เห็นปิงคียานีพราหม์เดินมาแต่ไกลครั้นแล้วได้ถามว่าอ้ท่านปิงคียานีท่านมาจากไหนแต่อย่างวันคือแต่วันนักปิงคียานีพราหมณ์ก็ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณะโคดมนะท่านการณปา์ปาลีพราหมณ์ก็เลยถามว่าท่านปิงคียานีย่อมเข้าใจพระปรีชา คือความฉลาดด้วยปัญญาของพระสมณะโคดมว่าเห็นจะเป็นบัณฑิตนั้นอย่างไรนะท่านคิดว่าพระสมณะโคดมนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาใช่ไหมจึงไปหาหละเกินเหมือนกันท่านปิงคยานีพราหม์ก็ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือใครและจะเป็นอะไรจึงจะรู้จักพระปรีชาของพระสมณะโคดมผู้ใดพึงรู้พระปรีชาของพระสมณะโคดม ผู้นั้นพึงเป็นเช่นกับพระสมณะโคดมนั้นแน่นอนนะผู้ที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าดีผู้นั้นต้องเป็นต้องเป็นใครต้องเป็นผู้บําเพ็ญบารมีสิบทัศนะต้องบําเพ็ญบารมีสิบทัตแล้วบรรลุสัพพัญยุตยานนะก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างดีเสมือนกับเราจะเอาอะไรไปวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเครื่องวัดมันจะต้องพอๆกันใช่หจึงจะวัดจึงจะรู้ว่าเออระดับไหนระดับไหนใช่ห เพราะฉะนั้นข้าพเจ้านี้เป็นใครจรึงจะไปรู้จักพระพุทธเจ้าว่างั้นเถิดท่านการณปา์ปาลีพราหมกก็บอกว่าได้ยินว่าท่านปิงคิยานีสารเสริญพระสมณะโคดมยิ่งนักท่านปิงคียานีก็บอกข้าพเจ้าคือใครและเป็นอะไรจึงจักสารเสริญพระโคดมและ ท่านพระสมณะโคโดมพระองค์นั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสารเสริญแล้วสรารเสริญแล้วว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโอ้ยใครๆก็ยกย่องสรารเสริญพระองค์นั้นมีคุณความดีอยู่ในตัวมากมายก็บอกว่าเป็นผู้ที่มนุษย์และเทวดาก็สรารเสริญก็บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นใหญ่กว่าหมู่ชนในแผ่นดินมคตพระเจ้าพิมพิสารก็สรารเสริญพระพุทธเจ้า พระเจ้าประเสริฐที่โกศลผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินชาวแว่นแควนกาสีและแควนโกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยกย่องพระท่านพระสมณะโคดมกษัตริย์ลฤาวีกรุงเวสาลีแคว้นวชัชีก็สารเสริญท่านพระสมณะโคดมมลรลคกษัตริย์เมืองปาวาเมืองกุสินาราที่ประเสริฐในระดับชนขนาดนั้นก็สารเสริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันนั่นแหละพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นจังกีพราหมณ์เป็นต้นพราหมณ์เหล่านั้นก็ยกย่องพร ะ, พระส ม, มณโคโดมอุบาสกมีนาถาบินทิกะเศรษฐีอุบาสิกามีนางวิสาขาปริพาชคไม่ว่าสกุลุทายีหรือว่ามหาอุบาสิกาอุบลวันนาเทรีท่านเหล่านี้ก็ยกย่องพระส ม, มณโคโดมใช่ไหมพ ร, พระเทระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น ก็ยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอ่านในสัมปสภาษาธทนิยสูตรนะเป็นพระสูตรที่ภาษาริบุตรยกย่องอคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากหรือว่าเท้าส ก, กะนะเท้าส ก, กะนี้ก็เป็นผู้ที่ยกย่องพระผู้มีพระภาคเอ่อเท้าส ก, กะนี้ครั้งหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคอ่าพากไม่สบายเป็นไข้หนักบางคนออกมาเป็นเลือดแล้วว่าถ่ายออกมาเป็นเลือดเลย ท้าสกัดนะไปเป็นบุรุษพยาบาล น, นะไปคอยเทกระโถนให้ทีนี้กระโถนนี่ที่ที่ถ่ายบางคนเนะ่ยเอาทูลหัวเอาไปทิ้งก็บอกว่าโหเท้าสก่านี้เคารพอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสว่าที่จริงแล้วเท้าสกัดนั้นนะ่ะพน้นหรือได้เป็นเท้าสกัดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เพราะพระผู้มีพระภาคใช่ไหมเท้าสกัดนั้นได้เป็นพระโสดาบันเพราะ พระผู้มีพระภาคเพรา ะ, ะนั้นท้าส ก, กะจึงเคารพอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพรมไม่ว่าจะเป็นพวกมหาพรมเป็นต้นก็ยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดก็มีแต่คนยกย่องพระส ม, มณโคดมเพะนั้นท่านพระส ม, มณโคดมนั้นเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วนะพราหมณ์การณ์ปาลีก็เลยกล่าวต่อไปว่าท่านปิงคียานี เห็นอํานาจประโยชน์อะไรจึงเลื่อมสายยิ่งนักในพระสมณโคดมอย่างนี้นะท่าหาวก็ถามโยมผกกู้การว่าเอ้ยเลื่อมสายอะไรนักจึงศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราก็ต้องมีมีคําตอบสักอย่างหนึ่งใช่ไหมทําไมจึงศึกษาจริงเลยหรือว่ามาฟังอยู่ได้ทุกวันน่ะทำไมจึงมาฟังกันเราก็ต้องตอบคําถามได้ใช่ไหมหรือกลับมาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคงไม่เป็นอย่างนั้นมั่งเนาะท่านปิงคียานีก็เลยตอบว่า ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้อิ่มในรถอันเลิศแล้วย่อมไม่ปรารถนารถที่เลวเหล่าอื่นชั้นใดบุคคลฟังธรรมะของท่านพระสมณะโคโดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยะวยากรณะหรือโดยอัภูตธรรมย่อมไม่ปรารถนาวาทะของสมณะเป็นอันมากเหล่าอื่นโดยลักษณะนั้นนันันนั้นนะ ก็บอกว่าคนที่ได้รสอร่อยที่สุดนะของแขกนี่ก็ชอบรสข้าวปลายาดเขาว่ามันอร่อยนะโภชนะเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เกิดมาไม่เคยฉันเลยมันก็บอกว่าข้าวปลายาดนี่อร่อยมากเราว่ากันถ้าหากว่าใครทานข้าวปลายาดแล้วก็ไม่คิดทานอาหารอย่างอื่นแนละ้วอร่อยถ้าหากว่าใครได้รสค้นๆนะถ้าได้เนยไสเนี่ยโอ้โหเลิศแล้วถ้าดื่มเนยใสไปแล้วอย่างอื่นก็ไม่เอาแล้วอิ่มละเอเอาเนยเข้าไปตะ ก, ก้อนดูสิยอมให้ อย่างเอื่นเนี่ยไม่เอาอีกแล้วนะอิ่มไม่ได้ครึ่งวันกว่าเนี่ยนะหรือใครได้รถฝาดไม่ว่าจะเป็นรถเขาบอกว่ารถฝาดนะรถเพิ่งอ่อนเนี่ยเลิศที่สุดเขาเรียกว่าเพิ่งอ่อนมาเพิ่งอ่อนเนี่ยในรสผาดเนี่ยเลิศที่สุดวังเงินหรือบรรดารถหวานน้ําตาลกรวดเนี่ยเลิศที่สุดน้ําตาลกรวดเนี่ยคงจะคงหวานมา ก, ก น, นะแต่ก็น้ําตาลปี๊บน่าจะหวานกว่าหรือเปล่าเนาะ เพราะฉะนั้น ível, ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ฟังถ้รทำของพระผู้มีพระภาคก็คือได้รับรถที่เลิศขนาดนี้แล้วอ่ะก็ไม่อยากจะฟังอย่างอื่นแล้วก็จริงนะถ้าหากว่าใครที่อ่านพระไตรปิฎกจนเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็อ่านหนังสืออื่นไม่ค่อยสนุกละคืออ่านหนังสือทั่วไปอ่านแล้วก็สังเกตปุ๊บสภาพจิตเราจะวิตกกังวลสภาพจิตเราจะไม่สนุกเลยนะบางคนบอกว่าอ่ า, านหนังสือพิมพ์นี่พักผอดแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎก ติดแน่ น, นะอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยพักพร อ, อะไรอกุศลเกิดทั้งนั้นเลยงั้นอ่านพระไตรปิฎกเิะพักพ่อนกุศลจิตเกิดตลอดเลยเพราะนั้นถ้าอ่านพระไตรปิฎกเตะแล้วก็บอกว่าโอพระไตรปิฎกนี่เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเลยนั่นแหละหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำเพิ่งได้รวงพึง่งเขาพึ่งลิ้มรสโดยลักษณะใดๆก็ย่อมได้รสดีอันไม่เจือฉันใด บุคคลฟังธรรมะของท่านพระโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตะโดยเคยะโดยวายกรหรือโดยอัภูตธรรมย่อมได้ความดีใจย่อมได้ความเลื่อมใสแห่งใจโดยลักษณะนั้นๆฉะ น, นั้นเปรียบเหมือนบุรุษพึงได้ไม้จันท์แห่งจันทนะจันทร์เหลืองหรือว่าจันทรแดงอ่ะนะพึงสูดกลิ่นจากที่ใดๆจากรากจากลำต้นหรือจากยอด ก็ย่อมได้กลิ่นหอมดีกลิ่นแท้ฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคโดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะโดยขยะโดยวิยากรหรือโดยอภูตธรรมก็ย่อมได้ความปราโมทย่อมได้สมนัสโดยลักษณะนั้นฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้อาพาธนะป่วยไข่ะนะเป็นทุกข์เป็นไข้หนัก นายแพทย์ผู้ฉลาดเพ่งบำบัดอ า, าพาธของเขาโดยเร็วฉันใดบุคคลฟังธรรมะของท่านพระโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตะโดยเคยะโดยวายกรหรือโดยอัภูตธรรมความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความขัดแย้งใจของเขาย่อมหมดไปโดยลักษณะนั้นนนั้ฉันนั้นเปรียบเหมือนสระน้ํามีน้ำใสหน้าเพลินใจน้ําเย็นน้ําขาวน้ำใสะนะ มีท่าราบเรียบหน้าเรื่อนรมบุรุษผู้ร้อนเพราะแดดถูกแดดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายเดินมาถึงเขาลงไปในสระน้ำอาบเดิมเพ่งระงับความกวนกวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงฉันใดบุคคลฟังธรรมะของท่านพระโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดใดคือโดยสุตตะโดยคยะโดยวยากรณะ หรือโดยเอาอภูตรธรรมะความกวนกวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร้าร้อนทั้งปวงของเขาก็ย่อมระงับไปโดยลักษณะนั้นๆั้นฉันนั้น น, น, นั่นถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมจนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็นะก็บอกความเหน็ดเหนื่อยทางจิตเนี่ยมันหายไปหมดเลยกลับโปร่งโล่งสบายว่างั้นเถอะก็หาความสุขอย่างอื่นนะถ้าโดยเวทนาแล้วเวทนาที่ไม่เจือด้วยอมิตรเวทนาที่เกิดร่วมกับกุศลธรรมนั้น เป็นเวทนาที่ที่ไม่ควรรังเกียจและเป็นเวทนาที่ไม่มีโทษบุคคลได้เสวยเวทนาประเภทนี้มากๆเวทนานี้ไม่มีโทษเพราะเวทนาเหล่านี้เป็นกุศลได้ยินนะเวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอัพยากตะนะเวทนาที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเป็นเวทนาที่เกิดร่วมกับอกุศลเรียกว่าอกุศลเวทนา เวทนาขณะหลับสนิทนะเป็นอัพยากะตะเวทนาถ้าจิตเป็นไปกับกุศลเป็นกุศลละเวทนาอันเวทนาที่เป็นกุศลเนี่ยควรเจริญให้มากๆนั่นแหละเมื่อท่านปิงขียานีพรามกล่าวอย่างนี้แล้วการณะปาลีพรามลุกจากที่นั่งห่มผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งคุกเข า, ข, าข้างขวาลงบนแผ่นดินโอ้โหฟังจบปับ๊บคุกเขาทันทีเลยนะ ปนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่เปล่งอุทานสามครั้งว่านะโมตัสระพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วกล่าวต่อไปว่า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 เพราะนั้นข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านปิงคียานีจงจําข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจําเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันการถึงไตราสาระคมนั้นถึงกันเองก็ได้นะไม่ต้องแทบว่าไม่ต้องรับจากพระก็ได้เพราะว่าอยู่ที่การประกาศใช่ไหมนั่นแหละจากหลักฐานตรงนี้ก็การถึงไตราสาระนั้นก็ถึงกันเองก็ได้นะกล่าวให้การฟังก็ได้ นะพระธรรมของพระองค์นี้ยหอมเหมือนกับแก่นจันทใช่ไหมก็คือรักษาให้รูปมีชีวิตอยู่เท่านั้นสรุปแล้วชีวิตอยู่ด้วยจิตทุกดวงนั่นแหละเพราะจิตเหล่านั้นเป็นปัจฉาชาแต่ปัใจจัยให้กับชีวิตเป็นบิน ญ, ญาณหมายถึงชีวิตแต่รูปนะจนพรแต่ก็ชีวิตต่รูปนั้นดับพร้อมกันกับจุติจิตพอดีพอดีเลยเพราะฉะนั้นจิตนี้รักษารูปเหมือนกัน ก็เราไม่มีจิตที่ครับชีวิตก็ไม่มีอ่ะวิญญาณอาหารน่ะก็ระวังเลยอ่าเหตุในอดีตนี้เป็นมหากุศลจิตแต่ตัวที่เกิดนี่เป็นมหาวิบากจิตมหาวิบากจิตอันนั้นเนี่ยเป็นผลของมหากุสุลจิตอ่ะนะ บอกว่าพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับบิดามอบมรดกโดยธรรมพระธรรมเปรียบเหมือนมรดกพระสงฆ์ผู้สืบมรดก ค, คือพระสัตธรรมเปรียบเหมือนพวกบุตรผู้สืบมรดกเหมั้นนันนะฮผู้ที่ได้รับมรดกนะพระสงฆ์นี่คือผู้ที่มีมรดกผู้ที่ไม่ได้รับมรดกเลยก็เรียกว่าผู้ที่ไม่ได้รับทรัพย์เหมือนกันคนที่ไม่มีทรัพย์เรียกว่าคนยังไง เรียกว่าคนจนว่างั้นคนจนคนยากไร้คนกัมพระนะ้านะทำไมผู้ใดไม่มีทรัพย์เลยเรียกว่าคนกัมพร้าคนจนเขามีความจนอยู่สองอย่างความจนทางโลกกับความจนทางธรรมอ่าใครฟังนะมฟังข้อความในอินะสูตรนะสูตรว่าด้วยการเป็นหนี้นะสูตรเกี่ยวกับเรื่องจนดูว่าใครจนบ้างอ่าจนทางโลกกับจนทางธรรมว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูการพิสูทั้งหลายความจนนะความเป็นคนจนเนี่ยเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกว่างั้นนะยากซับไรรับขัดสนเนี่ยนะเป็นความทุกข์ของคนบริโภคกามนะนึกถึงข้าวจะหงเช้านี่ก็ยังไม่มีทุกขนะ์้ยบ้านจะอยู่เรี่ยฝนก็รัวลมมาก็หนาวร้อนมาก็ไม่มีอะไรพอที่จะกันแดดอย่างเงี้ย นิ้ก็หายนอนกลางคืนยุงก็กัดนะพวกนี้เราเรียกความจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกนะสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะเนี่ยมันพร่องอ่ะมันหายากหาสีก็ยากหาเสียงก็ยากหากลิ่นก็ยากหารสอะไรอะไรจะทานก็ยากหาโพธพภะดีๆก็ยากอย่างเงี้ยอันผู้ที่ขาด ปันจารณ์ทั้งห้าที่ดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนจนว่างั้นพิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าออทุกจริงๆพระเจ้าข่าวว่างั้นเถอะคนขัดสนเนี่ยทุกจริงๆพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรนะเมื่อไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้ก็ทํำยังไงถ้าจนแล้วไม่สามารถจะต่อชีวิตอยู่ได้ทําไงดีย่อมกู้ยืมนะไปหาหนี้เลย หากู้คนอื่นดีกว่านะเผื่อจะได้รถสักคันหนึ่งเผื่อจะได้อย่างนั้นอย่างนี้คิดกู้ล่แม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรามในโลกใครเคยไปยืมสตังค์คนอื่นไหมนะสนุกไหมยอ้โหทุกจริงเลยนะการขอเนี่ยนะคาขอเนี่ยเป็นคาที่ทุกข์ที่สุดในโลกอนะการเอวยปากคอเนี่ยขึ้นภูเขายังน่าจะสนุกกว่าตั้งเยอะนะ คิดขอนี่ทุกสังเกตดูนะคิดขอกับคิดให้เนี่ยมันต่างกันเยอะโอ้ขอนมาเนี่ยสังเกตดูเยอะๆนะเครียดจริงๆนะแค่นึกเอ่ยปากเนี่ยนะแค่นึกนะยังไม่ทันไปบอกเขาหรอกนึกเฉยๆเนี่ยยมันทุกอะไรขนาดนั้นกูนะึกทุกจริงๆนะโทสะมูลจิตเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะพระองค์ก็บอกอย่างนั้นพระเจ้าค่านะการกู้ยืมเนี่ยมันทุกจริงๆพระเจ้าข่าประมาณดูก่อนวิสูตรทั้งหลาย คนเข็นใจยากไร้กู้ยืมแล้วนะเมื่อไม่สามารถจะใช้คืนให้ก็ให้สัญญาว่าจะให้ดอกเบีย้ยใช่ไหมไม่สามารถที่จะให้วันสองวันนี้ได้ก็อาย่อมรับใช้ดอกเบีย้ยแม้การรับใช้ดอกเบีย้ยก็เป็นทุกข์ของผู้บริโภคกรามในโลกนะโอ้โหนี่ยดอกเบีย้ยบางคนบอกดอกเบีย้ยเดือนละแปดหมืนก็มี อ, อบางคนเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยแพงจริงๆเลยนะยิ่งแบบผู้ที่เคยรวยเป็นหลายๆติบล้านเนี่ยแล้วธุรกิจเจ๊งอ่ะน ะ, ะการใช้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็โหเป็นทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลกอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูกานพิสูนทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรรับใช้ดอกเบีย้ยแล้วนะไม่ใช้ดอกเบีย้ยตามกาหนดเวลา เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมทวงเขาแม้การทวงก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกอเจ้าหนี้เขาสองคนมาทวงปั๊บตีมาเครียดเหลือเกินอ่ะนะใครมีหนี้นั่งอยู่ไง่ายปับ๊บไหนๆว่าจะเอาไปให้มเมย์ไปเนี่ยเจ้าหนี้ทวงเขาพูดเพราะกับเราไหมส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาไม่คุยกับเราดีหรอกโอ้อย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ ถูกเจ้านี้ทวงไม่ให้เจ้านี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาแม้การติดตามก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรารมในโลกนะเจ้านี้ติดตามก็ไม่สนุกแล้วเนาะอย่างนั้น พ, พระเจ้าค่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้านี้ติดตามทันไม่ให้ทรัพย์เจ้านี้ทั้งหลายย่อมจองจําเขา แม้การจองจำก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรามในโลกถูกฟ้องเลยเข้าคุกเลยอย่างนั้นพ่าเจ้าค่าดูกอาพิสูจนทั้งหลายแม้ความเป็นคนจนก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรามในโลกะนะทุกข้อที่หนึ่งก็คือความจนใช่ไหมความจนก็ทุกข์จรงิจรงๆเลยนะอันนะเสียงเพลงลูกทุ่งสมัยโบราณเนี่ยก็โอ้โหหวัวในเรื่องความจนนั่นแหละ ของอาณาเนี่ยนะพอศึกษาเรื่องกรรมเยอะๆมาก็บอกเหมาะสมแล้วละ่ะสมควรแล้วละ่ะก็คนพวกนี้ไม่คิดจะให้เลยมีแต่คิดจะขอเพราะฉะนั้นอคนให้กับคนขออะไรเป็นเหตุแห่งความมั่งมีคนให้ทีนาะนั่นแหละยิ่งยิ่งบอกว่าจนมากเลยทานก็ไม่ให้ศีลนะก็ไม่รักษาโอ้นี่ชาตินี้จนขนาดนี้ชาติหน้าจนหนักอันนี้อีกพวกนี้เขาเรียกว่า ตะโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็อนาคตดูท่าจะมืดไปอีกนั่นแหละคือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือพวกพวกที่ยากจนนะเป็นพวกที่หาเช้ากินค่ำเป็นพวกกัรมาชีพเลยพวกนี้นะฮะเขาไม่มีจิตคิดที่จะสละเลยและผลประโยชน์แค่สักห้าบาทนี่เถียงกันหน้าดำหน้าแดงเลยนะ ถ้าเกิดเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงแค่เงินห้าบาทนี่หม่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาเลยนะแล้วเรื่องจิตจิตที่จะให้ไม่มีมีแต่รับอย่างเดียวขออย่างเดียวเป็นอย้างน้ไหมครับคือคืออย่างนี้ครับก็ในเมื่อเขาจนนะเขาต้องคิดถึงตัวเองก่อนนะควการพุทการจะว่าอย่างไงครับนี่เห็นใจเข้ากันนะคะเขาจนนะแล้วเขาจะคิดถึงคนอื่นได้ยังไงนอกจากแรงเขาก็เขาต้องกรรมยุติธรรมนะศึกษาเรื่องกรรมแล้วอ่ะใช่ไหม ถ้ายิ่งคิดยิ่งคิดจะเอาไม่คิดจะให้เลยเนี่ยนะนั่นแหละไอ้ที่เขาจนอยู่ทุกวันเพราะเขาไม่ให้นั่นแหละพระอนุรุตธ h ในอดีตชาติหรือว่าหลายคนนะก็บอกว่านี่เป็นโทษของชาติชาติที่แล้วเราไม่ให้ทานเราเกิดมาเราจึงทุกจึงยากจึงยากจึงจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้ทานต่อไปเนี่ยคาว่าไม่มียาได้ยินเพรานะตั้งความปรารถนาเลยคำว่าไม่มีไม่ปรารถนาได้ยินนั่นแหละ พูดถึงว่านะไอ้จิตที่คิดจะให้ผู้อื่นเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าบุคคลเขาขาดแคลนไม่มีแล้วเขาให้ไม่ได้ไม่ใช่นะถึงแม้ตอนเขามีเขาก็ให้ไม่ได้คือจิตคิดจะให้จริงๆแล้วน้อยมากทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยน้อยมากถ้ายิ่งเพื่อนๆที่ที่ทำงานโรงงานทําอะไรต่างๆแล้วนี่นะจิตที่คิดจะให้เขายากจริงๆเลยนอกจากมีการจัดกรถินพระป่าสักเทลงปีหนึ่งทำบุญสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะ โอ้ทั้งปี น, นี่แหละร้อยเดียวอก็ยังดีนะนี่ทั่วมากแล้วนะถ้าหากว่าตามชนบ ท, ทเรียกว่าบ้านทั่วไปนะบ้านนอกเนี่ยนะ